วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่เที่ยงคืนมาละเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นวันส่งท้ายปีเก่าวันนี้ปีใหม่แต่ดูๆแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนะก็เหมือนกับเมื่อวานนี่แหละแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของพวกเราหรือร่างกายของพวกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เมื่อวานก็คือวันหนึ่ง 2,545 วันที่31 2,545 แต่วันนี้วันที่หนึ่งมกราคม 2,546 ถ้าเราทำกรรีกรรโชว์เราก็ทำไปแล้วปี 2,545 มันผ่านไปแล้ว แต่ปี2546นี้เราจะทำอะไรเราต้องวางแผนแปลนของชีวิตหน้าที่การงานด้วยการเป็นอยู่ของพวกเราควรจะวางแผนไว้ว่าเราจะทาอะไรในปี2546เนี่ยอันนี้คือไม่มีใครที่จะวางแปลนแผนให้ตัวเองตัวของเราเองยิ่งกว่าตัวของเราเองคนอื่นตีกรอบโลดแนแนวให้ก็อย่างนั้นแหะ แต่ว่าตัวของเราเนี่ยนะควรจะวางตัวของเราโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในการเป็นอยู่ในความประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีพของตนเองในการทํามาหาเลี้ยงชีพและก็ทํารทำทางด้านจิตใจด้วยนะคือคนเราถ้าเราจะไปเพ่งมองแต่การสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกอย่างเดียวไม่ถูกต้องนะถูกถูกระดับหนึ่ง แต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะมันมีหลายหลายแง่มุมคือการทําสองแสวงหาทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะพวกเราต้องเลี้ยงชีพมีครอบปีครัวมีลูกมีเต้ามีการทําบุญทําทานอย่างทงพ่อประกาศไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่ส่อสแสวงหาเราจะทําบุญได้ยังไงอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่เราต้องส่องแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ใช่ทุจริตไม่ใช่อ่ะ ขายแบบขายยาบ่งยาบ้ายามาค้าคัญชายาฟินเรียกว่าทำมิจฉาชีพอันนั้นไม่ถูกต้องอการสเสวงหาทรัพย์โดยสัมมาชีพในทางที่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองตามศีลธรรมจริยธรรมที่สังคมประเทศชาติยอมรับเพางั้นเถอะอันนี้คือ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่จอดแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อม า, อากินมาใช้มาสอยสำหรับให้ชีวิตของพวกเราครอบครัวของเราเป็นไปด้วยความ เ, าเรียบร้อยราบรื่นในในการคองชีพแต่เราจะไปเพ่งมองแต่ว่าการคองชีพอย่างเดียวนี้เป็นทางถูกต้องรนะดับควรจะสสแสวงหาอย่างเดียวนี่แหละอย่างอื่นไม่จำเป็น อันนี้ไม่ถูกต้องถ้าว่าเราคิดเพียงแค่นั้นก็เหมือนกับสัตว์สาลาสิงห์ช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ตื่นขึ้นมาก็มีแต่หากินใส่ปากใส่ท้องกินแล้วก็นอนแล้วก็ฟุ้งได้ก็กินอีกแล้วก็นอนไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นแต่เราเป็นมนุษย์ต้องคิดมากกว่านั้นการส่อแสหาทรัพย์สมบัติจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วคือส่วนหนึ่ง เราก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแต่พร้อมกันเราควรจะรักษาสุขภาพกายอีกการดูแลสุขภาพกายนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญและก็ควรจะรักษาสุขภาพจิตอีกการรักษาสุขภาพจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายมีแต่การส่อแสวงหาปัจจัยสี่มาในอันดับหนึ่งการดูแลสุขภาพกายมาในอันดับสอง การดูแลสุขภาพจิตนี่อาจจะไม่รู้เลยอาจจะไม่เข้าใจเลยอาจจะไม่ได้ใส่ใจเลยการดูแลสุขภาพจิตแต่การดูแลสุขภาพจิตนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งถ้าเราพิจารณาดูแล้วเรามาวิเคราะห์ดูแล้วแต่เราขาดการดูแลสุขภาพจิตเป็นอย่างมากคือการสองแสวงหาทรัพย์อย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นเราจําเป็นจะต้องหาทรัพย์สมบัติมาใช้ การดูแลสุขภาพกายก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเราต้องดูแลสุขภาพกายออกกําลังกายการพักผ่อนนอนให้เพียงพออย่าไปใช้หักโหมจนเกินไปเหมือนกับเราใช้รถถ้าเราใช้รถเนี่ยเห็นถนนหลุมบ่ออะไรกระโดดกระแทกตกเหวตกบอ่อรถคันนั้นก็ใช้ไปไม่ได้นานอีกสักวันหนึ่งต้องพังเร็วๆอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราทํางานอะไรหักโหมจนเกินไปกินเหล้าเมายาสุรา ยาฟินเที่ยวเตเไม่รู้จักดูแลสุขภาพกายตัวเองร่างกายของเราก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันอยู่ไม่ได้นานเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งก็จะต้องสุดโสมลงไปผลที่สุดก็อวสานของชีวิตตายก่อนวัยที่จะต้องตายเหมือนนจัอันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพกายเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญตรวจตาพักผ่อนนอนให้เพียงพอรัรบทานอาหารสิ่งที่เป็นประโยชน์ จากนั้นก็ทาการทํางานจากนั้นก่อนถ้าว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ <S <S ไปหาหมอ ด, ดูแลสุขภาพกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าเราเรียงลําดับว่าถ้าว่าเรามีเงินร้อยล้านพันล้านสุขภาพกายเราไม่ดีเราจะมีความสุขไหมเนี่ยเท่าเราพูดในแง่ความสุขมันหาความสุขไม่ได้เพราะร่างกายของเราทุบพลลภาพไปแล้วเป็นนํามาเพิกอำมาพาดถึงจะได้ร้อยล้านพันล้านก็ น, นอนเจีวอยู่เอาเข้าวต้มหยอดปากอยู่อย่างนั้นน่ะ เราคิดว่าเราเงินร้อยล้านจะมีประโยชน์สําหรับเราไหมที่เราหักโหมเลยในการสอดแสวงหาทรัพย์ไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการสอดแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นการดูแลสุขภาพกายก็จําเป็นจําเป็นทั้งสองอย่างอและทีนี้การดูแลสุขภาพจิตทีนี้าการดูแลสุขภาพจิตยิ่งสําคัญกว่าเอกว่าที่สองอย่างคือเบื้องต้นถ้าว่าจิตใจของเราเสียเสอย่างเดียวเอ จิตใจเสียเสยอย่างเดียวคือเป็นจิตใจแตกเป็นโรคประสาทเป็นบ้าเสยอย่างเดียวสุขภาพกายก็ไม่ไม่สาคัญหมดสภาพไปเหมือนกับคนบ้านะร่างกายจะกายาแข็งแรงขนาดไหนเขเถอะแต่ใจของเขาผิดปกติเสียแล้วร่างกายของเขาไม่เกิดประโยชน์ทรัพย์สมบัติที่เขาได้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะใจของเขาเสียแล้ว เพนั้ น, ก า, า น, นาการดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพจิตนี้มีแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะที่จะเอื้ออํานวยหนะรือว่าเป็นที่ชี้แนะหรือว่าเป็นที่เป็นยาหรือว่าเป็นยาสุขภาพจิตเป็นเครื่องบํารุงสุขภาพจิตหรือเป็นเครื่องแนะแนวสําหรับการดูแลสุขภาพจิต คือหลักของพุทธศาสนาพราะพูะพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเรื่องสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้จักปล่อยวางมนุษยชาติของเราทุกคนเนี่ยจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้จะให้ผิดหวังทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่ปรารถนาเราต้องทำที่ใจของเราโลกก็ทำแปะ มีลาบเสือเส่อมราบมียศเสื่อมยศนินทาเนเสริญสุขอันนี้คือโลกกระทำเมื่อมากระทบเราเราจะทจําใจยังไงอันนี้จะปล่อยวางยังไงอันนี้แหละเป็นการดูแลสุขภาพจิตส่วนหนึ่งจากนั้นก็เอาสติอยู่กับตัวเองกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรให้มีสติอยู่กับตัวเองอันนี้เป็นการดูแลสุขภาพจิตถ้าสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอไม่พลัง้งไม่เผลอไปที่ไหน เป็นบ้านไม่มีแน่นอนแต่ถ้าจิตใจคิดเออละเหยลอยลมคิดปล่อยลอยร่องไปตามเรื่องโดยที่ไม่มีหลักการไม่มีหลักยึดไม่มีหลักหลักยึดทางจิตใจถ้าเป็นเชือกถ้าเป็นว่าวก็เหมือนกับว่าวเชือกขาดอย่างนั้นร่องลอยในอากาศถ้าเป็นเรือในกลางทะเลก็เป็ว่าเรือไม่มีสมองลมพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นใจของเราถ้าว่าไม่มีหลักยึด ไม่มีทมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีหลักยึดไม่รู้จักปล่อยวางใจของเราก็จะเออเล่เหยเอลอยลมไปอย่างนั้นนะผลที่สุดเราก็เป็นโรคจิตได้ง่ายๆโรคประสาทได้ง่ายๆเพราะนั้นควรจะศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาวิธีการปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเราดูสิ พระผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างอย่างหลวงตามหาบัวอย่างนี้อายุถึงเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองปีแล้วท่านยังเทศสนาว่าการยังแก้าอ้วงั้นตร์ดุดาว่ากาวอะไรพูดออกมาเป็นศีลเป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมแต่จะผิดแปลกแตกต่างไปบ้างก็คือความลืมของท่านมีอยู่บ้างสาหรับคนแก่แต่ถือยังไงก็ขั้นระดับเยี่ยมที่เดียว อย่างหลวงปู่เทศเหมือนกันหลวงปู่เหลียนเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันท่านยังขึ้นเทศนาว่าการได้อายุถึงเก้าสิบามเก้าสิบสี่เข้าไปแล้วอย่างหลวงปู่ธรรมวัดโพธิสมพรก็เหมือนกันอายุถึงเก้าสิบสามหลวงปู่จามอายุถึงเก้าสิบห้าแล้วท่านเคยแสดงธรรมพูดเป็นธรรมะ อ, ออกมาทางภาคปฏิบัติใ ห, ให้ลูกให้หลานได้ยินได้ฟังนี่แหละคือการดูแลสุขภาพจิตของท่านคือท่านภาวนาเพราะฉะนั้นพวกเรา พุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกตนญาติโยมเลยอย่าไปมองข้ามว่าการดูแลสุขภาพจิตไม่จําเป็นไม่สําคัญนะไม่ถูกต้องนะควรจะดูแลสุขภาพจิตควรเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งควรดูแลสุขภาพกายส่วนหนึ่งควรดูแลสุขภาพจิตส่วนหนึ่งทั้งสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับจะให้พวกเราไปสู่จุดหมายปลายทาง คือจิตใจกายวายจาของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสามอย่างนีเนี่ยเมื่อเท่าแก่ชราเมื่อมีอายุขึ้นมาเราก็ได้ยึดแถวแนวธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตใจของเราก็จะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเงาเพราะเรามีหลักยึดตังจิตใจ มีพุโทโธธรรมโอสังโฆพิจารณาหลางกายสังขารเหนอหลางกายของเราเนี่ยแก่ชรลามาแล้วอีกจักกี่ปีกี่เดือนข้างหน้าชีวิตของเราก็คงจะขาดสัม บ, บัณฑลงไปเหมือนกับคนทั่วไปเราจะต้องตายแน่นอนถึงจะกลัวแล้วไม่กลัวก็ไม่มีปัญหาต้องตายแน่เพราะฉนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกตนญาติโยมหนึ่งอย่าไปมองข้ามอาการดูแลสุขภาพจิตไม่จําเป็นไม่สําคัญนะไม่ถูกต้องนะ ควรจะดูแลสุขภาพจิตควรเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งควรดูแลสุขภาพกายส่วนหนึ่งควรดูแลสุขภาพจิตส่วนหนึ่งเออทั้งสมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับจะให้พวกเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือจิตใจกายวายจาของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันต้องประกอบด้วย3ามอย่างนี้ เป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางของครูบาอาจารย์ท่นแนะนำสั่งสอนเป็นอย่างนั้นแหละว่าใจมีหลักใจไม่ว้าเวใจไม่อ้างว้างใจไม่เงียบเหงาใจมีพุทโธงั้นต่อนี้ไปรับพรถึงอนุโมทนาให้พร